ครั้งที่ไปผู้ที่ไหนเนี่ยจะต้องมีคําถามจากข้อประโยชน์อย่างเช่นว่าการกระโดดน้ําเพียงแค่นี้นะกระโดดน้ําลงไปในสระไว้น้ําแล้วมีผลทําให้ต้องถึงกับพิการ ต, น ต, น ต, นตลอดชีวิตไเลยหรอมีสิ่งสิ่งที่อยากจะแบ่งปันคือขณะที่ผมกระโดดน้าลงไปเนี่ยพอศีร ษ, ษะกระแทกพื้นแล้วกระดูกหักแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าเราเนี่ยอ่อนแรงลงไปเลย แขนขาเนี่ยควบคุมไม่ได้แล้วก็รู้อยู่ว่าเราต้องช่วยตัวเราเองแต่ว่าช่วยไม่ได้ไม่รู้จะบังคับแขนขาอย่างไรมันก็จมลงไปที่พื้นก้นสะแต่รู้ตัวอยู่นะว่าเราจมน้ําอยู่ก็พยายามจะช่วยตัวเองแต่ช่วยไม่ได้ก็นอนอยู่ก้นสะเนะ่พอดีมีนักศึกษาเขาก็ว่ายน้ําผ่านผ่านมาแล้วเขาก็ผ่านเลยไป แล้วก็พยายามจะบอกเขาเขารู้ว่าเราต้องการความช่วยเหลือพยายามจะบอกแต่บอกไม่ได้กระทำตาโตๆโตพยายามจะเป่าน้ำไม่เขารู้ว่าเราต้องการความช่วยเหลือแต่เขาไม่รู้หรอกเขาต้องการเดี่ยวทาเวลาให้เร็วที่สุดในการว่ายเขาจะไม่สนใจอะไรเล ย, เลยว่ายน้ำไปว่ายน้ำมาสองเที่ยวก็เลยคิดว่าเขาคงช่วยเราไม่ได้แล้วเราคงไม่รอดแล้ว เราต้องตายอยู่ในสระไว้น้ํา น, นี่แน่นอนทันทีที่คิดถึงว่าเราจะต้องตายที่สระไว้น้ํา น, นี่เนี่ยมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่คนใกล้ตายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในตอนนั้นคือภาพแนวดีต่างๆที่เราเกิดความประทับใจทั้งในด้านดีแล้วก็ในด้านไม่ดีเขาจะปรากฏขึ้นในตัวเราในจิตใจเราทันทีเลยนั่งก่อนคนที่จะตายเนี่ยจะมีภาพแบบนั้น คนเคยทำอะไรมาเนี่ยสิ่งนั้นจะปลากรขึ้นในจิตใจเราความดีเราก็ทำความชั่วความผิดเราก็เคยทำมาเขาจะปลากฏเกิดขึ้นแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยมันเสมอกันมันจะไม่รุนแรงคือสิ่งที่ประทับใจในความดีความชั่วจะไม่รุนแรงเพราะผมเองเนี่ยตั้งแต่จำความได้เนี่ยผมไม่เคยทาความชั่วมีแต่นี้นี่หน่อยแต่ไม่เคยมีความรุนแรงหนักขนาดที่จะแสดงออกตอนที่เราใกล้ตาย ความดีก็ไม่เคยทํามากไม่เคยประทับใจขนาดที่ว่าก่อนตาจะนึกถึงขึ้นมาได้ก็เสมอกันแต่ว่าภาพเด็กเป็นวัยมากเลยปัป๊บวัยมากจนกระทั่งมาถึงในปัจจุบันที่เราเป็นอย่างเงี้ยเพราะเรามากระโดดน้ําเริ่มเข้าใจอ๋อเรากระโดดน้าลงมาแล้วเราจะมีสภาพอย่างเนี้ยอยู่ในสระวายน้ําใกล้จะตายแบบเนี้ยแต่ก่อนสุดท้ายเนี่ยก่อนจะไม่รู้สึกตัวเนี่ยนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ ย้อนนึกถึงผู้มีพระคุณคือคุณพ่อคุณแม่ถ้าท่านรู้ว่าเราต้องมาตายในสาวายนานเนี่ยถ้าคุณจะเสีย ใ, ใจมากพย้อนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ค่อยๆกลืนน้ำลงไปค่อยๆตายทีละน้อยๆตื่นน้ำลงไปจนทั้งหมดความรู้สึกไปเลยมารู้ตัวอีกทีหนึง่งก็มีคนมาช่วยเรา ลูกศิษย์ที่อยู่ในเหตุการณ์อาจารย์ที่สอนอยู่ด้วยกันเนี่ยช่วยเราขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาอ๋อนี่เราไม่ตายก็ช่วยปฐมพยาบาลปฐมพยาบาลมากมายอ่ะเอาน้ําออกจากปอดเขย่าตัวสารพัดอย่างเอาแบกหลังแล้วก็คย่อยหัวลงนะเขยา่าเขยา่ขยาเพื่อให้เอาน้ําออกจากในท้องเราในในปอดมีการผายปอดปฐมพยาบาลขั้นต้นเนี่ยพร้อมเลย ก็นําส่งโรงพยาบาลขณะนํานส่งโรงพยาบาลก็ใส่รถนะใส่รถนอนไปเพราะว่าคนช่วยเขาเนี่ยเขาไม่ทราบว่าเราเป็นอะไรเราก็บอกไม่ได้ว่าเราเป็นอะไรมันหายใจลําบากแล้วก็พูดก็ไม่ออกมันอึดอัดไม่หมดเลยก็เลยได้ความรู้ตอนนั้นว่าคนที่ช่วยเรารอดตายคนแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่จิตสุดท้ายนึกถึงผู้มีพระคุณ นึกถึงผู้มีพรคุณเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคืออรลาหันของเรานึกถึงท่านเนี่ยท่าใไมเรารอดจากตรงนั้นมาได้ท่านเคยได้ยินข่าวที่นานมาแล้วที่ตึกถลม่มที่โคราชตึกถล่มลงไปเนี่ยมีคนติดอยู่ในตึกแต่กขรอดมาได้เขานึกถึงในหลวงจึงรอดชีวิตมาได้เพราะนั้นอันเนี้ย เราทุกคนถ้าจิตสุดท้ายแล้วรู้ว่าจะตายหรือนึกอะไรไม่ออกนึกถึงผู้มีพระคุณนึกถึงผู้มีพระคุณเอาไว้ยิ่งคนที่มีบุญคุณมากกับเราเนี่ยมีคุณธรรมมากเนี่ยคนนั้นจะพาเรารอดได้นะเนี่ยอย่างตอนเนี้อีกไม่นานเนี่ยโลกของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเมืองไทยเคยดีนข่าวไหมจะมีวิกฤตอะไรปแปลกๆที่เราไม่เคยพบ อย่างที่ผ่านมาแล้วนี่มีซึนามิน้ําท่วมมากน้ําแข็งขั้วโลกกาลังจะละลายวิกฤตต่างๆจะเกิดขึ้นกับโลกของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราถึงคาวนั้นแล้วก็ลองนึกถึงคนที่มีบุญคุณมากกับเรามันจะพาเรารอดได้อย่างผมเนี่ยถือว่ารอดได้เพราะนึกถึงผู้มีพระคุณแล้วก็ผู้ที่มาช่วยเหลือรวมทั้งคุณหมอคุณพยาบาลจิตสุดท้ายก่อนจะดับแล้วต่อมาก็คือ มาย้อนคิดว่าอ๋อที่เราจะต้องมีร่างกายพิการอย่างนี้เป็นเพราะาเราประมาทความประมาทขาดสติจึงรู้เท่าไม่ถึงการอันเนี้ยขาดสติรู้เท่าไม่ถึงการไม่คิดว่าเมื่อเราทําลงไปแล้วเนี่ยผลจะต้องพิการตลอดชีวิตไม่คิดมาก่อนนะก่อนจะทํานี่ไม่คาดเคลื่อว่าผลนี่จะเป็นอย่างไรแต่ถ้ารู้ว่าถ้าทําแล้ว เราต้อพิการตลอดชีวิตเราคงจะไม่ทําแน่นอนแต่ตอนนั้นประมาทขาดสติอรู้เท่าไม่ถึงการจริงเนี้ยจึงมานําเสนอว่าไม่ควรประมาทไม่มั่นใจอย่าเพิ่งทําและระยะหลังนี่มีคนที่พิการผมก็มีเยอะไลกระโดดน้ําในน้ําตกไปกระโดดน้ําที่หาดทรายหาดทรายนี่เราอยู่บนเรือนะกระโดดลงไปเนี่ยถ้ากว่าไม่ลึกพอแล้วก็มีโอกาสพิการ มีหลายคนเี่เป็นแบบผมเลยเพราะประมาทรู้เท่าไม่ถึงการอันที่สามคือสาคัญมากในฐานะที่เราต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมถ้าเราเห็นคนที่เขาประสบบาดเหตุต้องการความช่วยเหลือเราต้องดูเสก่อนว่าเขาเป็นอะไรต้องดูก่อนว่าเขาเป็นอะไรถ้ามีการกระดูกหักเนี่ยอย่าเพิ่งรีบเข้าไปช่วยดูก่อนว่าหักตรงไหนอย่าเพิ่งไปดึงไปลาก ข, ขึ้นมา พอผมพยาบาลให้ถูกต้องบางทีจะช่วยเขามีอาการดีขึ้นบางครั้งเนี่ยเข้าไปช่วยเขาด้วเราไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรเนี่ยมันทําให้การบาดเจ็บเขาเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นเห็นไหมในโรงงานในสถานที่ต่างๆเนี่ยมันต้องมีการประสบอุบัติเหตุบ้างต้องรู้ซะ ก, ก่อนว่าเราต้องช่วยเขาแบบไหนอันนี้ถือว่าแบ่งปันกันนะพอหลังจากที่ผมประสบอุบัติเหตุแล้วก็ต้องลาออกจากงานชีวิตเลยว่างเปล่าเลย ชีวิตที่ว่างเปล่าเนี่ยโอ้โหเนี่ยทรมานมากเครียดเพราะการทํางานเนี่ยดีกว่าเครียดเพราะไม่มีงานทํานะถูกดีแล้วที่เรามีงานทํามันเครียดบ้างไมเลือดธรรมดาแต่ถ้าไม่มีงานทําเนี่ย โ, โหดจิตมันฟุ้งซ่านความคิดมันกินหัวมันทุกมากคนที่ฆ่าตัวตายเพราะไม่มีงานทําเนี่ยมากกว่าคนที่มีงานทําแล้วเครียดเพราะฉะนั้นมีงานทําดีแล้วถ้าหมดงานแล้วไหม่แล้วก็มันจะ เครียดมากเลยคิดมากพอมือมันว่างใจมันก็วุ่นฟุ้งซ่านหาเรื่องทุกข์มากเสียสุขภาพจิตนะผมนี่มันว่างงานมานานช่วงแรกๆนี่พอทํางานไม่ได้แล้วก็ต้องลาออกอยู่ที่บ้านเนี่ยมันเป็นคนที่ไร้สาระกายก็เป็นทุกข์ใจก็ปิดหวังโอ้เราเนี่ยมันหมดค่าเลยไร้สาระไม่มีงานทนํานี่มันไร้ค่าเลยนะ หมดค่าไปเลยแต่ก็เลยได้วิธีการคิดเปลี่ยนวิธีการคิดแทนที่เราจะมานอนฟุ้งซ่านเพิ่มทุกข์ให้กับจิตใจเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเราลองหาทางแก้ปัญหาตัวเองการหาทางแก้ปัญหาตัวเองต้องเริ่มจากวิธีการคิดถ้าเราคิดแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะออกจากปัญหาได้เห็นไหม ผมก็เลยคิดว่า เ, ออเราจะทำไงชีวิตเราจะดีขึ้นนะช่วยตัวเองได้ยังไงช่วยอื่นได้ยังไงให้เป็นประโยชน์ตอนนั้นก็นึกอะไรไม่ออกแล้วเพราะไม่เคยมีข้อมูลเราไม่เคยคิดว่าเราต้องเป็นอย่างงี้มาโดยที่เราไม่ตั้งตัวเลยตั้งตัวไม่ได้ก็ไม่เห็นว่าอะไรดีไปกว่าการสนใจกับธรรมะทําไมจึงสนใจธรรมะเพราะธรรมะในประเด็นอของตัวเราเป็นเรื่องของชีวิตเรื่องของการจะทํายังไงให้ชีวิตมีความสุข จะอยู่อย่างไรให้ชีวิตของเรามันทุกน้อยลงก็เนเรื่องกับตัวเราไม่ใช่เกี่ยวกับพระอย่างเดียวนะตัวเราทุกคนเนี่ยถ้ามีธรรมะเนี่ยมันช่วยพัฒนาชีวิตเราได้โดยเพราะจิตใจเนี่ยความทุกข์มันจะน้อยลงและมีจะมีความสุขมากขึ้นเนี่ยในธรรมะเนี่ยสอนเกี่ยวกับเรื่องตัวเราทั้งนั้นเลยสอนวิธีการแก้ปัญหาสอนวิธีการคิดก็เลยอ่านแล้วเออน่าสนใจนะมันเกี่ยวกับตัวเราแท้ ก็เลยมาสนใจธรรมะจากการอ่านการฟังการคิดแล้วก็ลงมือปฏิบัติปฏิบัติธรรมนิ่ง่ายๆเลยผมไม่ได้ไปอยู่ที่วัดแตาอยู่ที่บ้านไม่ได้บวชคนพิการบวชไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านอยู่ยังไงอยู่อย่างมีสติมีสติมาดูตัวเราดูกายดูใจของเรากายใจของเราเนี่ยคือก้อนแห่งธรรมะ ที่ต้องดูแลมันก่อนดูกายดูใจดูเพื่อรู้ความจริงว่ามันคืออะไรปัญหาอยู่ที่ไหนปัญหาที่ร่างกายพิการหรือสุขภาพกายไม่ดีนั้นไม่ใช่ปัญหาปัญหาที่จิตใจต่างหาที่ไปยึดมั่นถือมั่นบังคับให้มันได้ยางใจเราใจเราทั้งนั้นเลยพรเรามีสติเฝ้าดูตัวเราในทุกรียบทตลอดทั้งวันเนี่ยมันเลยได้คาตอบเข้าใจชีวิต เข้าใจปัญหาเข้าใจตัวเราแล้วเข้าใจคนอื่นมีความรู้เรื่องธรรมะกับจากการที่มารู้ตัวเราเนี่ยมากยิ่งขึ้นก็แก้ปัญหาตัวเองได้แล้วก็มาแบ่งปันกันมีคำคำหนึ่งเรามักจะพูดกันบ่อยๆและมันจิตจืดคือคำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่สมัยนี้เข้ามาแปลว่า ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเมื่อก่อนผมก็คิดแบบนี้นะคิดแบบเนี้ยแล้วก็น้อยใจตัวเองว่าเราก็ทำดีมาแล้วเราทำดีมาแล้วทำไมเราต้องต้องมีความทุกข์ทำไมเราต้องพิการด้วยทำไมต้องเป็นเราเราทำดีแล้วทำไมเราต้องเป็นทุกข์แล้วบางคนเน็ตมีแต่ทำชั่วทำไม่ดีทำไ ม, ำไมเธอก็จะมีความสุขสงสัยไหม มันน้อยใจมากทำไมเราเป็นอย่างนี้แต่พอเราปฏิบัติธรรมมาดูตัวเราเองแล้วเนี่ยมันได้คําตอบมันได้คําตอบว่าทําไมจึงเป็นอย่างนี้อันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าทําดีมันก็ดีอยู่แล้วในตัวใช่ไหมถ้าทําดีมันก็ดีถ้าทําชั่วมันก็ชั่วอยู่แล้วในตัวแต่เราไปรอผลว่าทําดีจะต้องได้เงินจะต้องได้ราบยศจะต้องได้ตําแหน่ง จะต้องมีคนชมเรานั่นคือผลของความดีอันนั้นถูกแล้วแต่ว่าเป็นผลที่มันไกลตัวเรายกตัวอย่างถ้าเราคิดถึงคุณแม่ถ้ า, าคิดถึงคุณแม่เนี่ยเราคิดดีไหมดีใช่ไหมคิดถึงคุณแม่เนี่ยคิดถึงพระราหันในบ้านเลยนะคิดถึงคุณแม่เราคิดดีแล้วแล้วจําเป็นดหรือว่าผลคือคุณแม่ต้องคิดถึงเราในขนาดนั้น อันนั้นคือผลภัยระยะไกลคือผลที่ดีคือเราคิดถึงแล้วเราคิดดีแล้วถ้าเราไปหาคุณแม่เรายกมือไหว้คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่เราพูดดีหรือยังดีแล้วนะแต่คุณแม่อาจจะไม่ไหว้ตอบเราหรือาอาจจะยิ้มรับเราและอาจจะเฉยก็ได้อันนั้นคือผลไกลแต่ผลใกล้คือมันดีอยู่แล้วที่เราพูด เรากอดคุณแม่ด้วยความรักเราทำดีหรือยังดีแล้วใช่ไหมแต่วาทีคุณแม่ไม่กอนเราก็ตายละลำคานอันนั้นคือผลที่ร่กายคือผลไยได้เรานำของแม่ท่านอ๋อนี่คุณแม่ดีนะอาหารเสริมคุณแม่ทานมากมากบางทีท่านก็ไม่ได้ทานหรท่านก็ไม่ชอบแต่เราทําดีแล้วเมื่อเราพูดดีแล้วคิดดีแล้วทําดีแล้วมันก็ดีแล้วในตัวอย่าเพิ่งไปรอผล ผลนั่นคือเป็นผลพลอยได้ปลูกมะม่วงต้องได้มะม่วงไม่ใช่ได้เงิน <c oughs> ปลูกมะม่วงตัวใดมะม่วงก่อนนะส่วนได้เงินนั้นก็ค่อยไปขายปลูกมะม่วงไม่ได้ผักชีหรอกปลูกมะม่วงตัวไดมะม่วงเห็นไหมเราทําดีแล้วมันก็ดีอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในให้เราทําดีแล้วเนี่ยที่เรายังมีความทุกข์อยู่เราต้องรู้จักแบ่ง ขณะทำดีผลดีที่เกิดจากไกลๆนะั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าขณะที่กําลังความทุกเนี่ยประสบผลปัญหาเกี่ยวกับมีความทุกอยู่เนี่ยผลแห่งความชั่วบาปนะกําลังส่งผลอยู่นะความที่เรามีความทุกเนี่ยบาปกําลังส่งผลกําลังใช้หนี้อยู่แต่อย่าลืมว่าการใช้นี่มีแต่จะหมดนะยอมรับกับสภาพที่เป็นทุกข์ไว้เป็นการ แต่สิ่งทีเรากําลังทําดีอยู่เนี่ยเรากําลังรอรับผลเมื่อบาปส่งผลเรียบร้อยแล้วเนี่ยผลของบุญเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นนั้นที่เราเห็นว่าเอ๊ะทำไมเขาจึงทําความดีแล้วทําไมจึงเป็นทุกข์เพราะว่าเขากําลังได้รับผลของบาปอยู่แต่บางคนนั้นทําไมทําความชั่วทําไมมีความสุขนั่นเขากําลังได้รับผลบุญอยู่เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลง จากบุญเป็นบาปจากบาปเป็นบุญไดทันทีเลยขณะที่กาลังส่งผลนั้นเพราะฉะนั้นเราเพววื่อความไม่ประมาททาดีไว้ก่อนทําดีไว้ก่อนพูดดีคิดดีไว้ก่อนปลอดภัยมากการทําดีคืออะไรทําแล้วไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็คนอื่นให้เดือดร้อนถือว่าทําดีการพูดดีคือพูดแล้วเราเองก็ไม่เดือดร้อนคนฟังก็ไม่เดือดร้อนอันนี้คือพูดดีนะทำไว้ก่อนเพววื่อความไม่ประมาทเลยเข้าใจาตรงนี้เลยอ๋อ ปลูกมะม่วงตัวอะไรมะม่วงปลูกมะม่วงมันจะไปต้องได้เงินอันนี้ถือว่าประเดินสําคัญมากชีวิตเราเนี่ยมีสองอย่างคือความสุขกับความทุกข์อันนี้เป็นสัจธรรมนะคือของจริงคือมีความสุขกับความทุกข์ถ้าไม่สุขเดีมันก็ทุกข์ถ้าเป็นทุกข์ก็สุขเป็นอย่างนี้แหละมันมีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คงที่คนที่เข้าใจสัจธรรมข้อเนี้ชีวิตจะมีความสุขจะไม่มีทุกข์เลยเวลาเศรษฐกิจ ดีบูมโอ้เราก็ชอบใจภูมิใจลงทุนทนยกใหญ่เลยไม่รู้สศจษฐกิจที่ว่าทุกอย่างในมีการเปลี่ยนแปลงพอเศรษฐกิจตกต่าโอ้จิตใจตกบูบเลยเป็นโรคจิตโรคประสาทฆ่าตัวตายตั้งหลักไม่ได้เพราะไม่เข้าใจเศจษฐกิจที่ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงมีใครไหมที่มีความสุขอยู่ตลอดชีวิตโดยมีความทุกข์เลยไม่มีหรอก แลวมีใครไหมที่มีความทุกข์ตลอดชีวิตไม่มีความสุขเลย ม, มีหรอือทุกอย่างเมื่อเกิดความสุขแล้วดวมันก็ผ่านไปเห็นหมเมื่อเกิดความทุกข์แล้วมันก็จะผ่านไปมันเปลี่ยนแปล ง, ปลงอย่างนี้น ะ, ะพวกเราถ้าเกิดความสุขขึ้นมาเนี่ยให้เรารับรวู้ว่าความสุขนี้ก็ไม่เที่ยงหรอกดวมนก็ผ่านไปอย่าประมาทแล้วก็อย่าหลงละละละและเลยกทั้งลืมเนี้ลืมตัว เตรียมตัวเตรียมใจว่าต่อไปเนี่ยอาจจะมีความทุกข์ก็ได้ใชนไหมไอเ น, นี้ยตั้งหลักเลยเวลาใจมีความทุกข์ปั๊บอ๋อทุกข์นี่อยู่ไม่นานแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วก็จะกลายเป็นมีความสุขถ้าคนเข้าใจสัจธรรมข้อเนี้คือความเปลี่ยนแปลง เ, เนี่ยชีวิตเนี่ยจะไม่เศร้าหมองนะจะยอมรับได้ทั้งความสุขและความทุกข์อันนี้เป็นสัจธรรมพวกเองเราคิดว่าเนี่ยเราต้องเป็นทุกข์ตลอดชีวิตแล้วล่ะชีวิตละแย่เลย จนป่านนี้เนี่ยสิ่งนั้นมันก็หายไปแล้วมันก็กลายเป็นความสุขได้อันนี้คือความเปลี่ยนแปลงวิธีการจะรู้ทันก็คืออาศัยสติอย่างตอนเนี้ยบางท่านอาจจะมีความสุขลองมีสติดูสิความสุขนี่มันเปลี่ยนแปลงแลยวก็เปลี่ยนเป็นความเบื่อความเซ็งนี่บางคนกําลังเซ็งอยู่เนี่ยดูนะมีสติรู้เลยอ๋อนี่กําลังเบื่อกําลังเซ็งแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วมันก็หายไปไม่มีสิ่งไหนคงที่เช่นว่า เราชอบอาหารที่อร่อยที่สุดอ่าสมมติว่าชอบส้มตำถ้าลองกินเนะ่ยช้าส้มตำเย็นตำส้มกินทุกวันเนี่ยเบือ่อหของที่ว่าเราอร่อยนะเรากินทุกวันเนะ่ะเดี๋ยวก็เบือ่อเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าปักใจว่านี่ละอันนี้ละแน่นอนที่สุดเลยสิ่งที่แน่นอนไม่มีนะมีไหมคว่าถาวรเนี่ยมันถาวรจริงไหม ไม่มีทุกอย่างมีแต่การเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นสัจธรรมเพราะเวลาเกิดความโลภความอยากได้ขึ้นมาเนี่ยให้มีสติรู้ทันอย่าเพิ่งทําตามอย่าเพิ่งปักใจเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงไปเวลาเกิดความโกรธเกิดความไม่พอใจให้มีสติรู้ไว้<ม>เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแปลงอย่าเพิ่งรีบทาตามความโกรธความโลภความโกรธเนี่ยเราห้ามไม่ได้หรอกแต่เราสามารถเอาชนะได้ ด้วยการมีสติรู้ทันและไม่ทําตามที่เวลาเราโกรธใครสักคนหนึ่งเนี่ยทายํางานด้วยกันเนี่ยบางทีมันหงุดหงิดมันโกรธเมื่อโกรธให้มีสติรู้ว่าออดิโกรธนหละอย่าเบิ่งทําตามนะอย่าเบิ่งไปพูดอย่าเบิ่งไปทํำเขาถ้าพูดไปเนี่ยเหตุผลก็ไม่ดีทําไปก็เราจะมาเสียใจหลังว่าโอ้เราไม่น่าทําอย่างนี้เลยเราไม่น่าพูดอย่างนี้เลยมีหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเป็นทุกข์มาก กับคำพูดบางคำเราไม่น่าพูดไปแล้วมันแก้ไขไม่ได้บางคนต้องติดขุกติดตารางโอ้ไม่น่าทําอย่างนี้ไปเลยเสียอนาคตไปเลยมีเยอะเลยแต่สมัยเนี้ยเราไม่มีสติเวลาโกรธปับ๊บต้องรีบไปต่อว่าต้องรีบไปด่าเดี๋ยวมันจะหายซะก่อนใช่ป่ะแล้วผลออกมาเป็นไงโอ้เราไม่น่าเลยอย่าเพิ่งตั้งสติให้ได้เห็นความโกรธเวลาเกิดความโกรธอย่าไปดูคู่อริอย่าไปดูคนอื่นดูที่ใจเรา และมันจะหายไวถ้าไปดูคนอื่นแล้วก็มันจะปรุงแต่งให้โกรธ ด, ดักยิ่งขึ้นต้องมีสติรู้ทันและสติเนี่ยมันจะหาหนะความโกรธไป ค, ร, ครึง่งศรีออกมาห้าสบความโกรธไปห้าสิบถ้าสติมากยังขึ้นนี่มันจะหายไปเลยนะไอ้เนี่ยเป็นการเอาชนะใจตัวเองเกิดความอยากได้อะไรขึ้นมา น, าม น, มนมี่อย่าเพิ่งซื้อมือถือรุ่นใหม่รถรุ่นใหม่อย่าเพิ่งซื้อ มิสติรู้ทันเดี๋ยวมันก็เบื่อแล้เดี๋ยวมันก็หายไปเอาชนะใจตัวเองได้แล้วเวลาเกิดความไม่พอใจมิสติรู้ทันแล้วสิ่งนั้นก็จะหายไปอย่าเพิ่งทําตามนี่เป็นการเอาชนะตัวเองการเอาชนะตัวเองด้วยสติเนี่ยประเสริฐกว่าการเอาชนะศัตรูที่ซ้ำไปพุทองค์บอกว่าชนะอื่นหมื่นแสนที่เป็นกลุ่ลิเป็นศัตรูเราเนี่ยยังไม่ประเสริฐเท่ากับเอาชนะตัวเราเอง เอาชนะตัวเราเองคือเอาชนะใจเราโดยการรู้แต่ไม่ทำตามนี่ชนะแล้วเห็นไหมและผลคือเราจะมีความสุขนะทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเอาชนะใจเราเองไอเ น, นี่ยว่ามาแบ่งปันกันอย่างเช่นผู้เรานี่อยู่ในวัยที่กำลังทำงานการทำงานก็คือการมีชีวิตอยู่กับเรา คนไม่มีงานทําไม่ทํางานแต่แไม่มีชีวิตแล้วผมจะรวมว่าการทํางานกับการมีชีวิตเนี่ยคือส่วนเดียวกันทุกคนต้องทํางานจะทํางานอย่างไรให้มีความสุขจะใช้ชีวิตอยู่ยไรให้มีความสุขอันนี้สําคัญมากถ้าจะทํางานให้มีความสุขก็ต้องรักในงานที่เราทํานะอะไรก็ตามถ้าเราไม่รักเนี่ยยังไงก็ไม่มีความสุข ความขยันความกระตุลนจะไม่เกิดขึ้นเลยต้องรักงานที่เราทำรักสิ่งที่เราทำเขาจึงบอกเป็นคำพูดเก๋ๆว่าถ้าเราหางานที่เรารักไม่ได้จงรักงานที่เราทำเถิดหางานที่เราชอบไม่ได้จงชอบงานที่เราทำเถอะหาคนที่เราชอบไม่ได้จงชอบคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามันเป็นการปรับใจเราให้ยอมรับให้รักอะไรก็ตามที่เราลักเนี่ยเราจะขยันไปหาเห็นไห เรารักษาคนใดงเลยก็ตามในโอนจะไปหาเชา้าหาเย็นเลยนะไม่เห็นหน้าเห็นผ้าตากไว้ก็ยังดีทําไมเราจึงขยันได้แต่ถ้าเรารักงานรักชีวิตเราแบบนั้นแล้วก็เราจะกระตือร้นจะขยันเราจะรักได้ยังไงเมื่อเราจะให้เกิดความรักในใ จ, จิตใจนั้นต้องดูว่างานเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราแค่ไหนมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหนมันพัฒนาชีวิตเราหรือเปล่า ถ้าเป็นงานที่พัฒนาชีวิตเราก็ทําไปเถอะเป็นงานที่มีประโยชน์มีคุณค่าทําไปเถอะอย่างน้อยงานที่เราทําเนี่ยก็เป็นงานสุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ได้เบียดเบียนใครก็ถือว่าใช้ได้แล้วมีประโยชน์แล้วรักงานที่เราทํานะเราจะกระตือรือล้นเจียรทำก็จะมีความขยันก็จะมีความจุ ก, กับการทํางานแต่สิ่งหนึ่งหนึ่งก็คือ รายได้ต่างๆบางทีเราทอร้อแท้หมดกาลังใจรายได้มันน้อยตําแหน่งมันน้อยค่าของคนเนี่ไม่ใช่รายได้ไม่ใช่ตำแหน่งค่าของคนเนี่ยอยู่ที่งานที่เราทาว่าเราทําเรียบร้อยแค่ไหนเขาจึงวัดค่าของคนอยู่ที่ผลของงานค่าของคนอยู่ที่ผลของงานไม่ใช่าตาแหน่งไม่ใช่เงินเดือนเราจะมีกาลังใจทางานดันั้นจะต้องมีเงิน เราได้เงินเดือนมาแล้วถ้าเราไม่มีเงินเก็บไว้เลยเนี่ยมันที่มันท้อแท้นะเงินมันจะหายไปได้ยังไงถ้าเรารู้จักที่จะควบคุมแล้วก็ใช้จ่ายเขาจะบอกว่าขอให้เรามีเกินใช้ใหญ่ใช้เกินมีถ้ามีเกินใช้เนี่เงินมันเหลือเยอะถ้าใช้เกินมีนี่ยไม่บอกไม่พอใช้รายได้ไม่สำคัญถ้าก่อนรายเหลือ ถ้ามีรายได้มากใช่มากมันก็หมดถ้ามีรายได้มากใช้น้อยมันก็เหลือสำคัญที่รายจ่ายแล้วรายจ่ายมันจะหายไปจากไหนจากการเที่ยวการดื่มสุรากินยาเสพติดสิ่งเสพติดและเล่นการพนันอันนี้คือโจรป้นรั์เท่าไหร่ก็ไม่พอการพนันสิ่งเสพติด การเที่ยวเตย ห, หายมันหมดไปเลยนะแล้วเราเงินหมดแล้วก็ประท้อแท้หมดกาลังใจไม่อยากทำงานแล้วน่าระวังให้ดีย้ายพวกนี้มาปล้นเงินจากตัวเราไปต้องรู้จักควบคุมถ้าไรายได้ไม่เพียงพอก็ทําอะไรได้พิเศษหารายได้พิเศษนะทํางานนอกเวลานี่ก็เป็นการเพิ่มไรายได้รู้จักหาต้องรู้จักเก็บรักษาเหมือนตะเกียบคู่หนึ่งอะตะเกียบเนี่อันเดียวเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เลย ถาสองอันคู่แล้วก็จะมีประโยชน์มากมันหนีบได้กินได้อีกด้านหนึ่งก็เหมือนหมายถึงว่าการหาอีกด้านหนึ่งคือการใช้จ่ายต้องสมดุลกันเหมือนตะเกียบหนึ่งคู่อันนี้ละพอมีเงินเหลือแล้วจะมีกำลังใจสำคัญนะเนี่ยรายได้รายจ่ายต้องให้พอดีสมควรอีกอันหนึ่งก็คือการใช้ชีวิตมันก็ย่อมมีอุปสรรค ไหนใครใช้ชีวิตแบบไม่มีอุปสรรคเลยไม่มีความทุกข์เลยไม่มีความลำบากเลยการทำงานก็ต้องมีอุปสรรคมีความลำบากเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนั้นเราอย่าท้อแท้ใจความลำบากหรืออุปสรรคจากการทำงานเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้เรากระตือรือร้นเมื่อเกิดความทุกข์ยากลำบากในการทำงานในการใช้ชีวิตอย่าท้อแท้ใจ เมื่อเกิดการท้อแท้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นการท้าทายความสามารถเลยอุปสรรคหรือความลำบากเนี่ยมันท้าทายความสามารถเราเจะชนะได้ไหมมันเป็นการช่วยเรากระตือหรือล้นนะกระตือล้นที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปอุปสรรคก็ดีทำให้เรามีประสบการณ์ทำให้เรามีความรู้มากยิ่งขึ้น ทำให้เรามีความเข้มแข็งอดทนสิ่งสิ่งหนึ่งในการใช้ชีวิตที่เป็นอุปสรรคใหญ่ก็คือที่ใจใเราถ้าใจเราท้อแท้แล้วก็รับรองชีวิตเราเนี่ยจะอับเฉาเลยจะไม่มีชีวาเลยชีวิตที่ไม่มีชีวานี่มันเซ็งเพราะฉะนั้นเปลี่ยนท้าทายอุปสรรคไม่ท้อแท้ท้าทายมันท้าทายความสามารถชีวิตจะมีชีวา ชีวาคือความสุขความกระตือรือร้นชีวิตนี้ใครก็มีได้แต่ชีวาเนี่ยแต่และคนจะต้องหาเองความกระตือรือร้นความสุขเนี่ยแล้วเวลาเจออุปสรรคแล้วท้าถายทําไม่ได้ฝ่าฟันไปชีวิตจะมีชีวามันจะมีความสุขสังเกตดูนะคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่ลําบากเลยเนี่ยเขาจะเอาตัวไม่รอด เพราะไม่มีประสบการณ์จึงอ่อนแอรั้นชีวิต ท, ที่มีความลำบากแต่เราไม่ท้อแท้ความลำบากฝ่าฟันไปเนี่ยจะเป็นวิธีแข็งแกร่งเป็นวิธีแข็งแกร่งเมื่ยังกับเหล็กที่ผ่านไฟไปแล้วมันกลายเป็นเหล็กกล้าได้ฉันใดคนที่มีความเข้มแข็งเมื่อเจอความลำบากและก็ฝ่าฟันไปได้จะทาให้คนนั้นเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าฉันนนะ ดังเวลาเจออุปสรรคอย่าท้อแท้อุปสรรคในการใช้ชีวิตในการทํางานอย่าท้อแท้จงฝ่าฟันไปสร้างในใจที่จะ ก, กระตุ้นล้นโดยการท้าทายสร้างในที่ที่ท้าทายมันกระตุ้นล้นแล้วต่อไปชีวิตเนี่ยจะดีขึ้นโล่งโลดรุ่งเรืองขึ้นมีหลายคนที่ชีวิตประสบผลสาเร็จเพราะเขาเจออุปสรรคแล้วก็ไม่ท้อแท้ฝ่าฟันไป เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนําพาชีวิตเราเนี่ยสู่ความผลสําเร็จได้ไง่ายๆอันเนี้ยถือว่าสําคัญมากแล้วการทํางานด้วยกันเนี่ยจะให้มีความสุขนั้นเราต้องเข้าใจกันการมีสติดูตัวเราเสมอๆเนี่ยทำให้เราเข้าใจคนอื่นเข้าใจคนอื่นเข้าใจตัวเราเนีย่ยจะให้เขาทำแรงใจเราเสมอไปไม่ได้หรอก ต้องเข้าใจตัวเขาด้วยโดยเพราะเรื่องน้ำใจเรื่องความเอื้อเฟื้อตัวคนที่ชอบให้ให้เวลาให้โอกาสให้ทอฟฟี่หนึ่งเม็ดกับเพื่อนของเราเนี่ยก็ถ้าเรามีน้ำใจแล้วนะบางทีเครียดกับงานเนี่ยไม่เท่าไหลนะแต่เครียดกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยบาทีมันหนักกว่า วิธีการลดความเครียดกับเพื่อร่วมงานคือต้องเข้าใจเขาเข้าใจเขาแม้เขาไม่เข้าใจเรารู้จักให้จิตที่คิดจะให้กับจิตที่คิดอยากจะได้เนี่ยต่างกันไหมจิตคิดจะให้ดีไหมเราเคยให้ของใครไหมเราอยากให้อะไรใครสักอย่างเนี่ยโอ้จิตเราดีมากเลยจิตจะกระตือรือร้นแต่จิตคิด อยากจะได้ของเขาเนี่ยมันลุกลี้ลุกลนนะนั้นคนที่ให้เนี่ยจึงมีความก็คนที่อยากได้นั้นควรจะให้มากๆให้ดัาใจอยู่ด้วยกันเนี่ยใครก็ตามที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานก็อย่ามัวรอช้ารีบที่จะแสดงความยินดีด้วยความจริงใจ เราก็มีความสุขเพื่อนก็มีความสุขเพียงแต่พูดคุยว่าอ๋อดีแล้วเหมาะสมแล้วที่คุณได้รางวัลเหมาะสมแล้วที่คุณประสบผลสำเร็จเพราะชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยคุณลำบากมามากเหมาะแล้วไห็นไหแสดงความยินดีแล้วก็ให้กำลังใจด้วยเราก็ใจดีเพื่อนก็ใจดีอันนี้ถือว่าเป็นน้าใจเราเคยไหมมีคุณพ่อคุณแม่หรือพญาตยายเราเนี่ยเวลาท่านไปวัด ท่านกลับมาเนี่ยมีคนบอกว่าอนุโมทนานะอนุโมทนาเห็นไ่มคําว่าอนุโมทนาเนี่ยคือการแสดงความยินดีคนที่อนุโมทนาโดยที่ไม่ได้ไปวัดเลยเนี่ยก็ได้บุญคนที่ไปวัดก็ได้บุญแต่เราอนุโมทนาเราก็ได้บุญเห็นไหมโดยที่ไม่ต้องลองทุนใดเลยเพียงแต่แสดงความยินดีด้วยความจริงใจเราก็ได้บุญไอ้นี่ประเพณีส่วนเนี้ไม่อยากให้มันหายไป เวลาใครประสบผลท่านเอกก็แสดงความยินดีด้วยความจริงใจแล้วก็พลอยดีไปด้วยอันเนี้ยเป็นเรื่องราวของสิ่งที่จะนําเสนอที่ว่าเป็นธรรมะก็ได้เป็นคุณธรรมประจําใจคุณธรรมแปลว่าอะไรคือคุณงามความดีมีอยู่ในใจใครกใจนั้นก็จะมีความสุขความสุขหาได้ง่ายๆโดยการแสดงความยินดีมันตรงข้ามกับอิจฉาลิษยา ถ้าคนแสดงความยดีไม่ได้แต่ว่าอิจฉาลิสยาอิจฉาลิสยาเนี่ยจะมีความสุขไหมคนคิดอิจฉาตาลอนนอนไม่หลับไม่มีความสุขถ้าคนที่แสดงความยดีจะมีความสุขเนี่ยจะว่าไปแล้วคือธรรมะในะจิตใจเราเองคุณธรรมธรรมะนี่ไม่ใช่เรื่องเมื่อ 2,500 ปรปีนะไม่ใช่นะเป็นเรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องชีวิตในปัจจุบันธรรมะสอนให้เรารู้จักคิด เป็นเหตุเป็นผลธรรมะสอนให้เราไม่ประมาทธรรมะสอนวิธีการแก้ปัญหาชีวิตเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเราเลยวิธีการเข้าาธรรมะเนี่ยมีหลายอย่างการได้ยินได้ฟังอย่างวันเนี้ยเราได้ยินได้ฟังเนี่ยถือว่าเป็นธรรมะก็ได้การได้ยินได้ฟังการเอาไปคบคิดและการลงมือปฏิบัติอันนี้คือธรรมะทางนั้นเลย ผมเองนี่แต่ก่อนไม่เคยสนใจธรรมะเลยนะเวลาร่างกายต้องพิการใจเป็นทุกข์เนี่ยผมแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เลยแต่พอ ม, มาสนใจธรรมะเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตใหม่เลยได้ยินได้ฟังแล้วก็เอามาขบคิดแล้วก็ลงมือปฏิบัติคือการมีสติมาดูตัวเราเนี่ยมีสติมาดูตัวเราพรู้บ่อยๆเนี่ยมันเกิดข้อมูลเกิดความรู้เข้าใจชีวิตเรา เข้าใจชีวิตคนอื่นเห็นปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาตัวเองได้เปลี่ยนชีวิตใหม่เลยแล้วมาแบ่งปันกันเนี่ยวันนี้มาแบ่งปันกันแล้วทํางานแบบแบ่งปันนี่ไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรนะทําแบบมีความสุขเห็นว่าเป็นประโยชน์ตัวเราก็ได้ประโยชน์ผู้ที่รับฟังก็ได้ประโยชน์ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนในทั้งสิ้นแต่ถ้าให้ก็รับนะให้ก็รับเพราะว่าอะไรวันนี้ไม่อยากจะขัดศรัทธาแต่จริงแล้วไม่ต้องการอะไร ทำเพเห็นประโยชน์หเห็นว่ามีคุณค่าทุกวันเนี่ยใช้ชีวิตแบบกําไรชีวิตอยู่แบบกําไรชีวิตเพราะไม่ต้องการอะไรกําไรชีวิตเพียงพอแล้วชีวิตนี้อันเนี้ยเพราะว่าธรรมะมันเ ป, นปลี่ยนแปลงชีวิตเราใหม่ได้เนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายพอสิ้นเดือนแล้วเนี่ยก็จะขึ้นปีใหม่ปีใหม่เนี่ยเรานึกถึงอะไรปีใหม่ย่านึกแต่เรื่อง ฉลองอย่างเดียวอย่าฉลองปีใหม่อย่างเดียวปีใหม่เราต้องคิดทบทวนว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยอะไรดีอะไรไม่ดีสำหรับเราอะไรดีก็เก็บไว้อะไรไม่ดีก็พยายามตัดลดละเลิกไปซะเราจึงจะมีชีวิตใหม่ปีใหม่ต้องนึกถึงชีวิตใหม่ชีวิตจะใหม่ได้นั้นจะต้องมีวิธีคิดที่ใหม่ถ้าไม่คิดใหม่ในชีวิตใหม่นะเริ่มต้นจากวิธีคิดใหม่ๆไปคิด เรื่องความทุกข์เรื่องความโกรธเรื่องความรักเรื่องความเศร้าเก่าๆเดิมๆนี่มันไล้สาระแล้วมันหมดสมัยแล้วมกบุนอยู่กับความรักหมกบุ่นอยู่กับความทุกข์มันลาสมัยแล้วมัวแต่ไปคิดอย่างนั้นน่ะไม่อย่างเอาของเก่ามากินอ่ะเอาของเก่าในตู้มาอุ่นกินบางทีมันบูดมันเสียเตาะท้องเรื่องเก่าๆทุกเก่าๆอย่าไปมกบุญอย่าไปวกวนเวียนในเสิ่งเดิมๆ อย่าไปย้ำในสิ่งเดิมๆเปลี่ยนวิธีคิดสมัยถือว่าความทุกข์ความเศร้าความหลงให้มันล้าสมัยไปแล้วชีวิตใหม่มันต้องมีความสุขจะมีความสุข น, นั้นจะต้องปเปลี่ยนวิธีคิดจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอย่าไปคิดว่าโอ้นี่เราแย่แล้วไม่ไหวแล้วมันก็เหมือนเดิมอยู่เดียวทงานไปก็เบื่อก็เซ็งรอแต่ผลในอนาคตเลิกคิ ด, ดแต่ละ อันนั้นมันลาสมัยไม่ต้องรอปีใหม่เดี๋ยวนี้ก็คิดได้คิดมองโลกในง่ายที่ดีคิดเป็นทางบวกเข้าไว้การจะมีชีวิตอย่างมีความสุขคือการมีชีวิตด้วยสติด้วยความรู้สึกตัวดูตัวเราการทำงานให้มีความสุขนั้นคือต้องมีสติจดจ่ออยู่กับงานจดจ่ออยู่กับการใช้ชีวิตสติเนี่ยจะทาหน้าที่ระลึกได้ ทำให้ติตใจไม่เลื่อนลอยไปไหนเมื่อมีสติจดจ่ออยู่การใช้ชีวิตเนี่ยชีวิตก็จะไม่ค่อยผิดพลาดชีวิตไม่ผิดพลาดเมื่อมีสติกดต่อกับชีวิตเราแล้วเนี่ยมันจะมีสมาธิมีสมาธิเพลนอยู่การทำงานเพลนอยู่การใช้ชีวิตชีวิตจะเริ่มผ่อนคลายเพราะอยู่กับปัจจุบันอย่างตอนเนี้ยทุกท่านเนี่ยไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยทุกข์ แต่ถ้าคิดปรุงแต่งไปอน า, นาคตแล้วก็โอ้ทุกมาแล้วโอ้เราเป็นหนี้ใครบ้างอดีตเป็นยังไงเนี่ยเพราะไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเราเพราะขาดสตินะเป็นหนี้บัตรเครดิตแต่ลรพัดอย่างไหมเพราะไม่ไดอยู่กับปัจจุบันถ้ามีสติเนี่ยเรารู้ตัวว่าเรากำลังทําอะไรกำลังฟังอยู่เนี่ยอยู่กับปัจจุบันแล้วมันจะเกิดสมาธิจิตมันจะไม่ปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปในอน า, นาคตหรือในอดีต จิตจะเริ่มผ่อนคลายมันจะไม่เครียดนะมันจะมีความสุขนะสุขภาพจิตจะดีเลยเพราะนั้นอยากจะมีความสุขต้องเปลี่ยนวิธีคิดซะใหม่ให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัว น, นี้เป็นตัวปฏิบัติอันนี้เป็นการปฏิบัติทมก็ได้นะการมีสติรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเป็นการปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องบวชไม่ต้องไปวัดเลยแล้วได้บุญทุกวันด้วยโรคก็ไม่ทั้งทำก็ไม่เสีย เป็นประโยชน์ทั้งทางโลกทางธรรมคือการมีสติรู้สึกตัวอยู่เสมอๆในการทําการพูดการคิดอันนี้ล่ะคิดจะเปลี่ยนแปลงใหม่จะเริ่มเข้าใจตัวเองมาก่าขึ้นเวลามันคิดรักก็รู้ออกนี่รรักแลเวลามันโกรธก็รู้ว่ามันโกรธรู้เท่าทานจิตใจมันจะไม่ติดอารมณ์อะไรนานนะคนที่ติดอารมณ์รักนานๆติดอารมณ์โกรธนานๆเนี่ยราะขาสตินะพรมีสติแล้วเนี่ยมันปลดปล่อยเลยมีสติรู้ตัวแล้วเนี่ย อารมณต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้ทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้เมื่อทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยอะไรเกิดขึ้นแทนรู้ไหมันก็มีความสุขพอเกิดความทุกข์รู้ทันอ๋อนี่มันทุกข์แล้วจิตจะเปลี่ยนละมันจะกลายเป็นสุขเข้ามาแทนที่นะอันเนี้เป็นการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทํางานก็มีความสุขเมื่อจิตใจมันดีเนี่ยมองอะไรอะไรมันก็ดีถ้าจิตใจไม่ดีแล้วเนี่ยมองอะไรมันก็ไม่ดีจิตใจดีมองอะไรก็ดี ใจิตใจที่ดีนะั่นคือใจิตใจที่มีสติรู้ในะตัวเสมอๆ อ, อันเนี้ยอยากจะขอฝากไว้ว่าเราต้องใช้ชีวิตไปตลอดชีวิตต้องทํางานตลอดชีวิตแต่ถ้าอยู่แบบมีความทุกเนี่ยมันก็ทุกไปตลอดชีวิตเหมือนกันแต่ถ้าอยู่แบบมีความสุขมีสติมันก็สุขไปตลอดชีวิตถ้าการงานเป็นสิ่งที่น่าเบือ่อทําแล้วน่าเบือ่อก็ไปทุกตลอดไปเพราะต้องทำงานตลอดชีวิตใช่ไหม แต่ถ้าทำงานแบบมีความสุขใช้ชีวิตแบบมีความสุขแล้วก็พลอยเป็นสุขด้วยตลอดชีวิตเหมือนกันอันนี้เป็นเคล็ดลับนะทำงานอย่างมีความสุขก็พลอยสุขไปตลอดชีวิตงานบางทีเราเลือกไม่ได้มันต้องทำหน้าที่สามีหน้าที่ภรรยาหน้าที่พ่อหน้าที่แม่หน้าที่ลูกต้องทำไปตลอดชีวิตแต่ว่าความสุขความทุกข์นั้นเราเลือกได้เลือกแบบมีความสุขหรือทุกข์ก็เลือกได้ แต่เราเลือกแบบมีความสุขเห็นไหมอันนี้เป็นเคล็ลับงานเลือกไม่ได้แต่ความสุขในเราเลือกได้ทํางานด้วยการปฏิบัติธรรมคือการมีสติเสมอเสมอเขาที่บอกว่าถ้าอยากจะมีชีวิตที่ลุ้งโลดลุ้งเรือที่มีความสุขนั้นต้องมีชีวิตด้วยการมีสติอยู่เสมอเสมอเป็นการปฏิบัติธรรมคนที่ชงังธรรมคือผู้เสือ่อมคนที่ไข่ในธรรม คือผู้เจริญอันเนี้ยพุทธเจ้าตัดเอาไว้นะถามได้นะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องการครับเวรกรรมไม่มีจริงไหมเวรกรรมมันก็มีสิก็จะบอกว่าถ้าเราทําดีแล้วก็จะว่าเราสร้างกรรมดีกรรมนี่เป็นกรรมกลางๆนะถือว่ากรรมนี่เป็นกรรมไม่ดีเสมอไปนะกรรมเป็นกรรมกลางๆถ้าเราทําดี ว่าเราทำกรรมดีกรรมคือการกระทำถ้าเราทาชั่วคือกรรมชั่วกรรมดีส่งผลนั้นให้ดีกรรมชั่วส่งผลให้ชั่วที่บอกว่าถ้าเราคิดจะช่วยเหลือคนอื่นเราคิดดีแล้วแล้วตอนนั้นอ่ะมีความดีแล้วส่วนยังไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะแต่ดีแล้วถ้าเราช่วยด้วยช่วยเขาด้วยคือปฏิบัติกับตัวเขาด้วยแล้วก็ทำดี ส่วนผลนั้นมันดีอยู่ในตัวแล้วแต่ว่าเขาจะดีอย่างเราที่คิดที่ทํามันขึ้น อ, อยู่อีกวาระนึงมันมีจริงทําดีมันก็ได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วมีจริงเนี่ยผมระยะหลังเนี่ยเข้าไปได้เรือนจําบ่อยไปสอนไปแนะนาําไปเป็นเพื่อนกับผู้ต้องขังพวกนั้นเนี่ยเขาทําไม่ดีมันทั้งนั้นเลยติดคุกติดตรางบางคนเนี่ย ฆ่าเขาด้วยความโกรธชั่ววูบเพื่อนด้วยนะแค่โกรธชวนเพื่อนไปดื่มเหล้าเพื่อนไม่ไปนะพอช้อนซ่อมแทงเนี่ตายเลยติดคุกสิบห้าปีอดทนกัความโกรธเพียงห้านาทีทนไม่ได้ต้องไปทนในคุกสิบห้าปีมันคุ้มไหมใช่ไหมเขาก็ยอมรับอันนั้นคือทําไม่ดีเอาไว้ก็เวลาฝนแบบนั้นก็จะบอกว่าถ้าใครทําไม่ดีแล้วชีวิตจะมีความสุข แส่ว่าผลดีกําลังส่งผลอยู่กรรมดีกําลังส่งผลอยู่แล้วเมื่อเขาได้รับความทุกข์ผลดีกรรมดีมันก็หายไปกรรมชั่วก็มาส่งผลให้เขาเป็นความทุกข์นั้นบางทีต้องรอเวลาทําดีแล้วมันดีในตัวแต่ผลนั้นบางทีต้องรอเวลาสักหน่อยคือว่าถ้าทําดีทําชั่วนะครับทําชั่วผลกรรมของความชั่วรอถึงชาติหน้าป่ะครับ อขอบคุณมากน้องชายมีน้องมาคุยกันที่ก่อนชั่วนะก็อธิบายไปอีกครั้งหนึ่งการรอผลของการดีกรรมชวนนั้นไม่ต้งองรอชาติหน้าหรอกชาติหน้าเป็นผลระยะไกลสมมุติว่าเราฆ่าคนตายวันนี้นะตำรวจยังจับเราไม่ได้แต่ใจเราเนี่ยมันจะมีความสุขไหมเราก็ทุกข์แล้วนอนไม่หลับเพราะมันเริ่มจากที่ใจเราก่อนเลย อันนี้เราคือผลออกแล้วผลไม่ดีออกแล้วแต่ต่อไปเนี่ยตารวจจับได้เราก็ต้องไปรับผลอีกครั้งนึ่งในคุกในตาราดถ้าเราทําแล้วเนี่ยมันได้ลผลทันทีเลยไม่ต้องรอต่อชาติหน้าส่วนผลในชาติ น, านั้นนั้นอีกตอนหนึ่งเพราะฉะนั้นทําปั๊บได้ทันทีเลยไม่ต้องรอส่วนการรอนั้นบางทีคนที่รออยู่เนี่ยไม่ได้คิดว่าจะรอส่งผลติดคุกติดลัไม่ใช่ มันกลายเกินไปแล้วทันทีที่เราคิดดีเนี่ยใจเรามันก็ดีแล้วส่วนบางทีเราไม่ทาอะไรเลยแต่ใจมันดีแล้วมันต้องมีการลงมือกระทำผลจริงออกมาเพราะนั้นทําดีมันดีอยู่แล้วในตัวญยติมานั่งฟังเนี่ยทุกคนนั่งฟังเนี่ยอันนี้ดีนะเนี่ยแต่ผลความรู้จะเป็นไงนั้นขึ้นอยู่อีกตอนหนึ่งมันจะจาเราจเราจเรื่องราวได้ที่จาไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แต่เรามาทำในส่วนนี้แล้วสัมมนาแล้วฟังแล้วเนียมันดีแล้วเดีก่อนไม่ต้องรอว่าเราฟังวันนี้ชัดหน้าเราจริงเข้าใจทำเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจเดี๋ยวนี้เลยส่วนผลนั้นมันขึ้นอีกตอนหนึ่งเราจะเห็นว่าคนที่โกงกินประเทศโกงเราดูแล้วเขามีความสุขมีเงินมากมายแต่ในส่วนลึกเลยเขาไม่มีความสุขหรอกในส่วนลึกเขาไม่มีความสุขคนที่หนีเนื้อมือตารวจได้นั้น เขานอนไม่หลับนะเขานอนไม่หลับกฎหมายอาจจะหนีพ้นแต่กฎแห่งกรรมนั้นหนีไม่พ้นหล้วคือมันเริ่มจากใจเราเป็นทุกข์ก่อนมีโจรคนหนึ่งฆ่าเขาปล้นเขาหนีตำรวจไปไปหนีที่ไหนนี่ก็ต้องจุดทูบไว้ที่ปลายเท้าถ้าทูบหมดดอกแล้วก็เตื่นมาเปลี่ยนที่นอนใหม่ไปปักทูบไว้จุดพอทูบหมดดอกตื่นมาเปลี่ยนที่นอนใหม่ นอนไม่หลับตำรวจจับไม่ได้แต่นอนไม่หลับโอ้มีวันหนึ่งหนีไม่รอตรวจจับปั๊บเออโล่งไปทีไม่น่ามาคอยหนีโล่งไปทีตำรวจจับได้โล่งไปทีไม่น้องตามหนีนอนไม่หลับตำรวจจับได้เขาคุกโอนหลับสบายนอนหลับสบายเลยนั้นมันเริ่มต้นที่ใจเราเนี่ยถ้าใจเราเป็นทุกข์ใหม่แล้วก็นั่อนละกรรมส่งผลในใจก่อนแล้วต่อไปตำรวจจับที่หลังมันมีผลสองขนาดปัจจุบันก็ได้รับอนาคตก็ได้รับ เข้าใจไหมบางทีผมพูดไปบางทีไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ดูที่ใจเราเนี่ยดูที่ใจเราถ้าใจดีมีความสุขแล้วก็นะผลดีส่งแล้วถ้าใจมีความทุกมีความสศ้ามองผลดีไม่ส่งอาจารย์ครับเห็นเขาพูดเรื่องภัยพิบัติเรื่อยเนี่ยอาจารย์มีความเชื่อไหมครับแล้วเราเห็นเขาพูดประเทศไทยนี่จะโดนปีหน้าปลายปีอะไรเนี่ยอาจารย์ก็ลึกๆหน้าหน้าจะบอกอะไรได้บ้างเนะาะภัยพิบัติเนี่ยมันมีอยู่แล้ว เพราะว่าโลกของเราเนี่ยโอกาสข้างหน้าโลกเรามันต้องแตกนะโลกเราอยู่ไม่ได้หรอกต้องถูกดวงอาทิตย์ดูดเข้าไปแตกทําลายแม้แต่ดวงอาทิตย์เองเนี่ก็อยู่ไม่ได้เพราะดวงอาทิตย์ตัวนี้มีจุดดับอยู่ในตัวแล้วทุกอย่างมีการแตกทําลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงแท้ทั้งนั้นจะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นเองแม้แต่ตัวเราก็ต้องตายต้องแต่ทําลายไป ทุกอย่างต้องมีการแตกทาลายภัยพิบัติต้องมีขึ้นแน่จะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นเองเพราะตอนนี้มีสิ่งที่บอกเขตไว้ว่าน้ําแข็งขั้วโลกเริ่มละลายโลกก็ร้อนขึ้นใช่ไมทั้งวันเนี้ร้อนขึ้นนะแต่ก่อนนี้เราเคยถอดเสื้อเดินกลางแจ้งไม่เหนื่อยไม่ร้อนแต่ที น, นี้ถอดไม่ได้นะมันร้อนเลียว่าโลกมันร้อนขึ้นมีแน่นอนจะช้าหรือจะเร็วก็ตามอันนี้มีความเชื่อ ตามเหตุตามปัจจัยที่ส่งผลแต่ว่าใจเราต่างหากเราจะกลัวหรือกังวลกับสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนตายแน่ทุกคนถูกัหมอันนี้ไม่ได้แช่งนะแต่ตายแน่แล้วกันแต่ว่าถ้าเรามีสติทำความเข้าใจและก็ยอมรับเราจะไม่เป็นทุกข์เลยแม้จะเกิดวิกฤตการณ์อะไรเกิดขึ้นแม้ตัวเราจะต้องตาย ทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับแล้วก็ศึกษาการมีสติรู้เท่าทันสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆทั้งปวงเนี่ยทำให้ความกลัวความตกวนเนี่ยมันลดน้อยลงไปเขาจะบอกว่าเมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไงก็ตามคนที่ทําความดีมีคุณธรรมจะรอดก่อนและคนที่อยู่ใกล้กับพระเยซูเจ้าพระาหารันจะรอดตามมาเพราะนั้นการทาความดีไว้ก่อน มันยิงจะปลอดภัยไงถ้าใครกลัวใครวิตกกังวลทำคดีมากๆไปการสะสมเอาไว้ถ้ายิ่งฝึกสติมาดูตัวเองมันจะเริ่มเข้าใจตัวเราเข้าใจโลกทุกสิ่อย่างมันจะเกิดปัญญารู้แจ้งมันจะไม่กลัวอะไรทุกสิงอย่างเวลาจะเกิดอะไรขึ้นมีนะแต่ว่าเตรียมตัวไว้ทำความดีวไว้ละความชั่วทำความดีชีวิตจะรอดได้ ถ้ารู้เท่าทันใจเราเนี่ยความกลัวจะลดน้อยลง